นี่ต่อไปว่าดังนี้เวทนาเนี่ยนะดังนี้เวทนาถ้าพูดถึงรูปปั๊บเนี่ยนะเวทานานี่ชื่อว่าเป็นผลผลิตของรูปเนี่ยนะปกติแล้วเวทานานี่เป็นผลผลิตของรูปถ้ารูปอย่างดีก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทานารูปชั้นเลวรูปอย่างเลวก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทานารูปปานกลางทั่วไปก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทานาเวทานาเกิดเพราะอะไรเกิดเวทานาเกิดหรือว่าสมุทัย เหตุที่ทําให้เกิดเวทนาก็เพราะอาวิชชาเกิดนั่นแหละเวทนาจึงเกิดเพราะตันหาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดตันหาจึงเกิดเพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดและนิพพติลักษณะแห่งเวทนาพนะระองค์ก็ใส่ใจวิปัสสนาเกิดขึ้นพิจารณาไครครวนวันนี้เหตุเกิดแห่งเวทน า, นานนนะดังนี้ความดับแห่งเวทนาดังนี้ความดับหรือว่าความดับอันนั้นก็เพราะเพราะอะไรดับ เพราะอวิชชาดับอวิชชาจะดับเพราะอารห Trans ัตตะมักและอารหัตตะมักที่แทงตลอดพระนิพพานนั่นแหละเมื่อแทงตลอดพระนิพพานนั้นแหะอวิชชาดับนั่นแหละเวทนาจึงดับนะตันหาดับเวทนาจึงดับกรรมดับเวทนาจึงดับภาษาดับเนี่ยนะตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับภาษานั่นแหละเวทนาจึงกระดับแล้แลวก็เวทนาเองก็มีวิปริณามะลักขณะเนี่ยนะ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 กำดับสังขารจึงดับเพราะนะัภาษาดับสังขารจึงดับและวิปริณัมลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแห่งสังขารดังนี้วิญญาณนะดังนี้วิญญาณนะวิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดเพราะอาวิชชาเกิดวิญญาณจึงเกิดวิญญาณในทวารหกนะ จักรคูโซตะคานะชิวหาแล้วก็มโนวิญญาณมโนวิญญาณแบ่งเป็นปฏิสนธิวิญญาณผวังวิญญาณชาวนะวิญญาณแล้วก็จุติวิญญาณเป็นต้นวิญญาณเหล่านี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะอวิชชาเกิดวิญญาณจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดวิญญาณจึงเกิดเพราะกรรมเกิดวิญญาณจึงเกิดเพราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิดแล้วก็นิพพัติลักษณะลักษณะที่เกิดขึ้นแห่งวิญญาณันะ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 โพธิสัตว์นั้นพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมนะนะในอุปาทานขันห้าอยู่ความว่าเมื่อพระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นพิจารณาความเกิดโดยอาการ25ความเสื่อมด้วยอาการ25ส้าสรุปด้วยลักษณะห้ท้วนดังกล่าวมานี้ในอุปาทานขันห้าเป็นต้นอยู่เนี่ยนะอุปาทานขันห้ามีรูปเป็นต้นเหล่านี้อยู่วิปัสนาญาณก็เจริญขึ้นเนี่ยนะ วิปัสสนาก็คืออะไรปฏิปทายาณทัศนะวิสุธทธิก็เจริญขึ้นตามลำดับเสร็จแล้วจิตก็ไม่ยึดมั่นในความเกิดพ้นจากกิเลสกล่าวคืออาสะวะดับสนิทด้วยอนุปะดานิโรธก็คืออนุปาถะหมายถึงแทงตลอดพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับอาสะวะโดยสนิทจิตนั้นชื่อว่าย่อมพ้นในขณะมักพ้นแลแลในขณะผลเกอรหัตผลเรียกว่าจะพ้นในขณะมักพ้นแล้วในขณะ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 บริบูรณ์บอกว่าความดําริที่บริบูรณนั้นต้องดําริที่จะเป็นพระพุทธเจ้าและปฏิบัติจนสําเร็จเรียกว่าเป็นบริบูรณ์เพราะบางคนเนี่ยบริบูรณ์แค่แค่อะไรแค่ได้ฟังธรรมก็บอกพอแล้วนี่นะอันนี้ก็ไม่เรียกว่าบริบูรณอะไรบางคนบอกว่ารักษาศีลได้ บริบูรณ์แล้วบอกไม่ใช่นะบางคนบอกเจริญสมถะได้ก็บอกบริบูรณ์แล้วบางคนบริบูรณ์แค่วิปัสนาบางคนบริบูรณ์แค่โสดาปฏิมาสกธาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมักก็ยังไม่เรียกว่าบริบูรณ์จริงหรือบริบูรณ์ระดับพระปัเจกพระพุทธเจ้าก็ยังไม่บริบูรณ์จริงต่อเมื่อบริบูรณ์ระดับเป็นพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าบริบูรณ์สมบูรณ์แท้จริงประทับนั่งณโพธิบาลังกระธรรมมขยานสี ผลยานสี่ปฏิสัมพิทายานสียานที่กําหนดรู้กําเนิดสี่เนี่ยนะมัคคยานก็โสดาปฏิมัคสกธาคามิมัคอนาคามิมัคทั้งสี่ก็บริบูรณ์ผลลยานก็คือโสดาปฏิผลสกธาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลของพระองค์ก็บริบูรณปฏิสัมพิทายานยานที่จําแนกประเภทแห่งอัตธรรมนิรุตติปฏิภานก็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 ยานที่แทงตลอดคติหก็คติหคติที่เกิดในนรกคติเดรฉานคติในปิติวิสัยคติมนุษย์และก็คติเทวดาพระองค์ก็ตรัสรู้ญาณที่ทำให้เกิดในคติทั้งหและข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่คติหพระองค์ก็ได้อาสาธารณะญาณหกก็คือยมกะปาฏิหาริยญาณมหาการุณาสมาบัติญาณ อาสานุสยายานอินทริย์ปรปริยติยานสัพพัญญุตยานและอนาวรณายาณเนี่ยนะอาสาธารณยานญาณเป็นที่แทงตลอดของพระพุทธเจ้าเป็นญาณที่ไม่ทั่วไปแก่พระสาวกทั้งหลายและในที่สุดพระพุทธคุณทั้งมวลก็ตกอยู่ในเงื้อมพระหัตของพระองค์เนี่ยนะตกอยู่ในเงื้อมพระหัตก็คือได้ที่เรียกว่าพุทธาภิเศษอันเนี่ยตรงเนี้ยเป็นพุทธาพิเศษ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 คาหะการะกขิตโถสิปุณะเคหังนาหาสิสัพภาเตพาสุกาภาัากขะหากูตังวิสังคตังเวสังคารคตังจิตตังตันห้าหนังขยมัชคาติเนี่ยนะบอกว่าเราเนี่ยเล่นไปในสงสารหลายชาติเล่นไปตามขันอายตนะธาตุทั้งหลาย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 นะเพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่มีคติคือนรกเปรตอสุรกายมนุษย์เดเทวดาเป็นต้นไม่มีคติเหล่าใดเพื่อประกาศให้แก่ผู้ที่พ้นแล้วโดยชอบเพราะฉะนั้นถัดจากนั้นไปจะบอกว่าท่านเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมเป็นต้นไม่ได้แล้วเพราะท่านหลุดพ้นโดยชอบหลุดพ้นเพราะกําหนดรอบรู้ในกองทุกหลุดพ้นเพราะละสมุ ท, ทยัยหลุดพ้นเพราะธรรมนิโรธให้แจ้งหลุดพ้นเพราะ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 มันดับไปอย่างไรไม่มีใครรู้ที่ดับฉันใดพระทหารหทั้งหลายเมื่อดับขันธปริณิพ่านก็ไม่มีผู้ใดรู้ที่ไปของท่านฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านรุ่งเรืองดุจอาทิตย์ในสาราะาราการดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่รุ่งเรืองตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นนะก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยนะตรัสรู้เป็น นะก็พุทธคุณทั้งปวงก็จะเข้ามาเนี่ยนะนะคือหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เช่นนี้ไปแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็จะมีคุณธรรมที่เราเรียกกันว่าบัตรนั้นมาตั้งแต่แทงตลอดก็เฉลิมกิติศัพท์ของพระองค์ก็ขจรว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันเะนี่ยนะพระองค์ก็มีกิติศัพท์ขจรว่าพระอรหันไกลาจากกิเลสกําจัดข้าศึกคือกิเลหสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรนะควรรับปัจจัยสี่ไม่มีความลับในการกระทําบาป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 ผู้ที่ไปดีแล้วเพราะโปรองไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะไปสู่อสังขตะธรรมไปเพื่อตรัสรู้พระนิพพานไปตามไปแล้วไม่ย้อนกลับมาหาบาปอากุศสลธรรมที่ละอีกต่อไปโปรองก็ไปโดยตามมัชชิมาปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ไม่ไปตาม อ, อัตตกิรัมฐานุโยคไม่ไปตามอำนาจแห่งการมัสุขัขลิกานุโยคไม่เป็นไปตาม สัสตทิฏฐิและอุเฉททิฐิเพราะพระองค์ไปไปตามอาริยมรรคปัญญาเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจขณะเดียวกันพระองค์ไปไหนก็ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์แก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองนั้นพระองค์ก็ได้กิตติศัพท์อัน ง, งามพระพุทธคุณทั้งหลายของพระองค์ก็เจริญขึ้นบริบูรณ์ขึ้น ชือเสียงของพระ อ, องค์ก็ขจระจายไปเนี่ยนะในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายว่าพระ อ, องค์เป็นผู้ที่รู้แจ้งโลกนีพระ อ, องค์ผู้รู้แจ้งโลกสังขารโลกสัตว์โลกและโอกาสโลกนีนะพระ อ, องค์เป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดมีคุณธรรมยิ่งไปกว่าเป็นที่เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบอกกล่าวแต่งตั้งประกาศเปิดเผยช่วยแนะนําสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ตรัสรู้ตามพระ อ, องค์ก็นับว่าเป็นบุคคลที่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 เรียกว่าเกิดโดย at, ธรรมกายเกิดโดยคุณธรรมเหล่านี้ได้เกิดขึ้นตอนที่พระองค์ประสูติเนี่ยนะที่ประสูติเช่นพระพุทธเจ้าของเราประสูติที่ลุมพินีวันก็เรียกว่าเกิดขึ้นโดยรูปประกาเอนะนะถ้าหากว่าตอนที่พระองค์อุบัติเกิดขึ้นที่ต้นโพเขาว่าตรัสรู้เกิดขึ้นโดยคุณธรรมนะคุณธรรมในความเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้อุบัติเกิดขึ้นเนี่ยนะหลังก็เมื่อได้อุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขเนี่ยนะ ปกติพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องอยู่ที่บริเวณโพธิบาลังเจ็สัปดาห์อย่างเช่นพระวิปสัสสีพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าของเราก็ตามเนี่ยนะสัปดาห์แรกโพธิบาลังกลางก็คือประทับอยู่ที่โพธิบาลังสถานที่ที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะประทับนั่งณนะโพธิบาลังแท่นวัชระอาจแท่นที่แข็งแกร่งประดุษเพชร พระองค์ก็สเสวยวิมุตติสุขนะวันที่8ดพระองค์ก็คืนที่ที่เจ็ดนะคืนของวันที่เจดพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งตลอดปฐมยามมัชชิมยามและปัจฉิมยามปฐมมยามพิจารณาโดยอนุโลมมัชชิมยามพิจารณาโดยปฏิโลมปัจฉิมยามก็ทั้งอนุโลมและปฏิโลมก็เปล่งพุทธอุทาน ถัดจากนั้นพระองค์ก็ประทับยืนแพ่งดูโพที่บัลลังก์ไม่ใช่ดูต้นไม้นะดูปรารบถึงสถานที่ทบทวนว่าพระองค์ได้มาตรัสรู้อย่างนี้ได้อย่างไรน น, นก็พิจารณาเพ่งดูตรงที่พระองค์ยืนแล้วเพ่งดูโพที่บัลลังก์เรียกว่าอนิมิตสเจดีหลังจากนั้นพระองค์ก็จงกรมเรียกว่าเดินจงกรมถัดระหว่างระหว่างต้นโพกับอนิมิตสเจดีกลับไปกลับมาอีก7วันเนี่ยนะ เพื่อรำลึกถึงคุณของสถานที่ที่เป็นเหตุให้ได้ตรัสรู้หลังจากนั้นก็ประทับณเรือนแก้วเลือกเฟ้นพิจารณาพระอภิธรรมเนี่ยอีกเจอีกเจวันเนี่ยนะตลอดสัปดาห์ถ้าจากนั้นพระองค์ก็ไปประทับที่โคนต้นต้นไทรเนี่ยนะโคนไทรที่พวกคนเลี้ยงแพะพักอยู่อีกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไปประทับที่ต้นมุตจลินอีก7ส็กสัปดาห์กอีกหนึ่งสัปดาหแล้วก็ราชายาตนาอีก ตลอดสัปดาห์ลูกจากนั้นสัปดาห์ที่8ก็กลับมาประทับนั่งที่อชลปาลนิคโครคือต้นไทรเนี่ยนะต้นไทรที่ประทับนั่งเมื่อสัปดาห์ที่หอีกครั้งหนึ่งถัดจากนั้นมาพระองค์ก็จะมีปริวิตรกเนี่ยนะหลังการปริวิตรกที่ปรารบไม่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้า